ท่านสาธาชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้ก็ขอเก็บตกเรื่องวิโธรบัณฑิตต่อไปหวังว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายคงจะยังไม่เบื่อเพราะว่าวันก่อนได้พูดรูดมหาราชแต่ความจริงมันเหนื่อยจักบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ตอนนี้เพราะว่าร่างกายมันแก่เกินไปตอนนี้โง้ที่แล้วมาก็เก็บตกแต่เก็บไม่หมด <c oughs> วันนี้ก็ขอเก็บต่อว่าตอนหนึ่งที่ท่านวิทุรบัณฑิตได้กราบทูลพระเจ้ากรุระพว่าผู้ครองเรือนถ้าปฏิบัติได้ดังนี้จะได้เชื่อว่าเป็นผู้โปรโดโปรง่ง เป็นผู้มีการสงเคาะดีไม่มีการเบียดเบียนมีคำสัตว์และก็ไม่ต้องเศร้าโศกในภายหน้า <c oughs> เป็นนั้นว่าถ้อยคำที่กล่าวว่าในวันก่อท่านมีธุระบัณฑิตท่านมาซ้อมไว้ท <c oughs> ่านมาซ้อมแต่วันนี้จะขอซ้อมอิสันนิดดีไหม <c oughs> ซ้อมพระว่าถ้อยคำอย่างนี้เราฟังนียากที่เรนขอซ้อมต้นนี้นึ่งนะเล่าตลอดว่าเมื่อท่านพระเจ้าโกรพยยต้องการทําของคารวะาว่าปฏิบัติอย่างไรจึงมีความสุขวันนี้ไม่ไม่จอยนะเล่าเรื่องตลอดเป็นว่าท่านทวีทวุระบัณฑิตก็บอกกราบทูลว่าผู้เป็นกระหัต <c oughs> อยู่ครองเรือนจะต้องประพฤติอย่างไรจีจะปลอดโปรง่งยังจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเคราะห์ดีเวียายการเบียดเบียนมีคำสัตว์เวลาจากโลกนี้ไปแล้วจะได้ไม่เศร้าโศกนี่เป็นปัญหาที่พระราชาทรงถามท่านมีธุระบัณฑิตก็บอกว่าผู้ครองเรือนไม่ควครคบหญิงสาธารณะมาเป็นพ ญ, ญา ไม่ควรบริโภคอาหารมีรสอร่อยแต่ผู้เดียวรักษาศีลประพฤติตามทํานองครองธรรมรักษาวงดย์กูลไว้วัฒนาถาวรไม่ประมาทในกิจ ก, การทุกอย่างมีเหตุมีผลเป็นยุติธรรมไม่แข็งกระด้างต่อผู้ใหญ่ไม่เย้ยยิงด้วยความถนนงตน ประกอบธรกิจที่เป็นพุทธเจเป็นสุจริตธรรมผู้แต่ถ้อยคำที่น่าฟังก่อให้เกิดไมตรีสงเคราะห์ญาติมิตรตามสมควรให้ความช่วยเหลือในทางการงานและการเงินที่ถ้าจะช่วยได้ไม่ดูดายสมัสสมาคมกับผู้มีศีลเป็นพุทสูตรคือทรงจำดี และปฏิบัติบำรุงสมณะชีพรามปินิดผู้ครองเดือนปฏิบัติได้อย่างนี้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปลดปรงเป็นผู้มีการส่งเคราะห์ดีไม่มีการเบียดเบียนมีคำสัตย์และไม่ต้องเศรา้าโศกในภายหน้านี่คอย้อนนะ <c oughs> เว้นว่าตอนนี้มาย้อนกันทั้สามวาระ ทอไดเพราะว่าเป็นพระรพุทธพจน์บทพมบาลีที่องค์สมเด็จเปชินสีบรมศาสดาสมมาสมุทธเจ้าทรงสงเคราะห์าตา่มาเห็นว่าอาตามาเองก็ไม่มีปัญญาอธิบายแบบนี้เมื่อมาจดเจอจุดนี้เข้าก็ดีใจคิดว่าได้มีโอกาสศึกษาไปพร้อมๆกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท นี่เป็นอันว่าญาติโยมพุทธบริษัทคงจะเข้าใจบางท่านที่คิดว่าอาตมานี่มีความรู้มีความเลิศประเสริฐในการปฏิบัติแต่ความจริงยังไม่ใช่เนื้อแท้จริงๆอาตมาคิดว่าอย่างดีที่สุดอย่างประเสริฐที่สุดอาตมาคงจะใกล้ๆกับบัรดาญาติโยมพุทธบริษัท แต่อาจจะมีหลายท่านที่ท่านมีความดียิ่งกว่าอาตมาอาตมาทราบแต่ว่าท่านเป็นคารวะาเพศของพระก็ห้ามไว่แต่ใจนับถือใจมีความเค <c oughs> ารพฉะนั้นว่าจาใดที่กล่าวไปในด้านธรรมะของชาดกถ้ามาเอินบางเอิญจะไม่ละเอียดไม่เป็นที่ถูกใจก็ต้องขอไัยบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟัง วันนี้ก็เล่าเรื่องต่อไป <c oughs> ว่าเมื่อเมื่อท่านธุระบัณฑิต์มิธุระบัณฑิต์แสดงจบลงแล้วก็ลงจากธรรมาทิถวายความเคารพกับพระราชาให่ย้อนตอนต้นไปนิดหนึงนะถ้าพระราชาพร้อมไปด้วยพระราชาร้อยเอกก็เสด็จกลับพระราชนิเวศถ้ามิธุระบัณฑิตก็จะกลับมายังเคหะของตน แต่เท่ว่าปุณณกยะเขากล่าวว่านี่ความจริงตอนนี้วันก่อนกล่าวมาแล้วแต่ย้อนหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นการประสานกัน <c oughs> ตึงกล่าวว่าท่านต้องไปกับข้าวเจ้าเท่ว่าพระราชาเนี่ยพระราทานท่านให้ไปข้าวเจ้าแล้วท่านตกเป็นเของข้าพเจ้า ไม่ว่าท่านเนี่ยตกเป็นของของข้าพเจ้าแล้วเขาจะจะหอบใจหิ้วไปไหนมันก็ได้ไม่ใช่ว่าจะทําอะไรตามใจท่านได้น mm ี hmm. ่ยท่านกล่าวากล่าวต่อไปว่านี่ข้าพเจ้าเปน็นนายของท่านนะท่านจงปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ น, นายของตนแน mm ่ hmm. เอาเขานั้นแล้วนายใหม่วิสัยของบัณฑิตที่แท้จริง ย่อมทำตนให้เป็นประโยชน์แก่เจ้านายของตนอุณ น, นกยักษ์ทื่แปลงเป็นคนก็พูดมีคำคมไม่น้อยอุ น, นกยักษ์นี่เป็นใครตอนจบเรื่องจะรู้พระพุทธเจ้าจะทำนวงชาดดกให้ว่าใครมาเกิดเป็นอะไรเป็นอนุบาตท่านมีรู้ทานวิธุระบัณฑิตก็ตอบว่าดูก่อนท่านมานพูจเจริญ ข้อนั้นข้าพเจ้าทราบดีแต่ขอท่านได้โปรดพักในเรือนข้าพเจ้าสักสามวันก่อนความจริงนะข้าพเจ้าได้ทำประโยชน์ให้แก่ท่านมากอยู่แล้วเพราะว่าข้าพเจ้าพูดความจริงก็เป็นประโยชน์แก่ท่านโดยที่ไม่เห็นแก่พระราชาทำให้ท่านได้ตัวข้าพเจ้าด้วยความเป็นจริงไม่ใช่โดยอย่างอื่น อทีข้อนี้จงรู้ไว้เถิดว่าข้าพาเจ้าเนะี่ะมีคนแก่ท่านมากแล้วเพราะเหตุว่าเพราะเหตุฉะนั้นท่านจงยับยั้งไว้ก่อนพอที่ข้าพาเจ้าจะได้มีโอกาสสอนบุตรพัญญาข้าพาเจ้าบ้างเพราะการที่จะจากไปเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่แน่นักนี่ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่จะไม่ได้กลับ แังนั้ก่อนที่จะไปท่านที่เป็นบทเป็นพัญญาควรจะมีความไว้อะไรสั่งเสียกันบ้างในวาระสุดท้ายของชีวิตท่านบุนณกยะได้ฟังแล้วก็เห็นจริงและจะได้คิดว่าแม่ท่านบรรัณฑิตคนนี้เนี่ยพูดจริงตรงไปตรงมาจริงๆเป็นคนที่มีบุญคุณแกเรามากถ้าแม่หากว่า จะให้เราพักอยู่ก่อนเนี้ยสักเจ็ดวันหรือว่าจะอยู่สักครึ่งเดือนคือสิบห้าวันเราก็อยู่เมื่อคิดแล้วจึงกล่าวว่านี่ท่านตามใจทินนะจะให้เราอยู่แล้วก็อยู่สามวันเราก็อยู่เจ็ดวันเราก็อยู่สิบห้าวันเราก็อยู่อยู่เพื่อความสุขใจของท่านในฐานะที่ท่านเป็นคนดี ท่างนี้ก็เผอว่าเมื่อท่านได้ไปแล้วอยู่ข้างหลังจะได้มีความสุขที่คนอยู่ข้างหลังนะเมื่อเขาพ่นแล้วก็เข้าพักอยู่ในเรือนของท่านวิธุร บ, บัณฑิตนั่นเอง <c oughs> สำหรับท่านวิธุร บ, บัณฑิตก็ได้การต้อนรับแก่ปุลนักยักเป็นอย่างดีให้พักได้ห้องโถงใหญ่อสง่างามเพียบพร้อมบริเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวง และก็มีนางบําเรอร่างงามนุตเจเทพกันยายให้อยู่ปฏิบัติโนโดฟันเพื่อจนเพียงพอไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องตลอดจงแต่งการขับราฟ้อนรำขับร้องและมีดนตรีเพื่อขับกล่อมให้มีจิตเรื่นรมด้วยแล้วตนเองก็ไปหานางอโนชาผู้เป็นปัญญา ถาจะนี่เบาจะนีเรียกให้บทินดามาพร้อมกันแม้ดูท่านทำ น, นะนี่ความเป็นบัณฑิตของท่านนะเป็นบัณฑิตจริงๆถ้าบัณฑิตอยางโอโหสดนี่ท่านมัดิตแตะคนอื่นเลย <c oughs> ไม่ได้กล่าวร้าวคนอื่นเลยถ้าไม่ได้ค้านความจริงสักอย่าง น, น่าฟังแล้วก็น่าคบแล้วก็น่าคิดแล้วก็น่าปฏิบัติตาม เป็นอ น, นว่าเมื่อทุกคนในบ้านของท่านวิทุรบัณฑิตทราบเรื่องราวทุกอย่างแล้วเนี่ยก็เต็มไปด้วยความเศร้าใจเมื่อมาประชุมพร้อมกันต่อหน้าบินดาด้วยใบหน้าอันนองวิตกน้ําตาแม้ทุรบัณฑิตเองก็ทนฝืนการซื่ อ, อื่นไว้ไม่ได้สวมกอดบุตรทิดาไว้ด้วยความอะไรรักเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเมื่อพอตั้งสติได้แล้วก็กล่าวว่านี่เราต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาในญาติโยมพุทธบริษัทพระพุทธเจา้าจึงกล่าวว่าปิยโตชัยเตโสโกความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักนี่คนรักที่จะจากกันโดยเฉพาะพ่อกับลูกสามีกับภรรยา แล้วก็มาเพื่อนกับเพื่อนอันเป็นที่รักจะจากกันก็มีความอะไรเสียใจกั น, นเรื่องธรรมดาดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมม า, าสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าถ้าเรายังมีความอะไรรักมีความเยื่อใยอยู่ในกิเลสเพียงใดความผ่องใสของใจยังไม่มีกับเราเพียงนั้น เป็นนั้นว่าอธิบายเลยเรื่องจะไม่จบ <c oughs> ท่านยินสั่งให้ตัดความอะไรในร่างกายเสียเพื่อปิพันธ์เป็นนั้นว่าต่อมาพระราชาได้พระราชทานตัวให้อ่เได้พูดไปนะเพราะต้าสติแล้วก็บอกกับลูกว่าบอกเกินลูกกับเมียว่านี่ลูกรัก และพัญญาที่รักพัญญาเขาเรื่ออะไรก็ไม่รู้หนูที่รักเธอที่รักน้องที่รักและขวัญใจที่รักอะไรก็ไม่ทราบเนาะไม่เคยมีปัญญากับเขาอ่ะพูดยังไงพัญญา จ, จะชอบใจเนี้ยไม่รู้เหมือนกันแต่บางทีเขาจะเกินให้พระรู้หมดเฉยๆเจวิษเวถามนกยุงที่บินอยู่ในอากาศ ว่าก้นมหาสมุทรมีอะไรบ้างแล้วไปถามปลาวาฬที่จมในน้าลึกว่าบนอากาศมีอะไรบ้างมันจะตอบถูกที่ไหนนี่จะถามพระว่าพูดยังไงพัญญาจึงจะชอบใจเพราพระไม่เคยมีพัญญาเพราะว่าไม่ได้จะไปถามพระ ญ, ญี่ปุ่นบางทีท่านรู้เหมือนกันเพราะว่าพระญี่ปุ่นท่านมีพัญญา <c oughs> ถ้าถามพระไทยแลวก็ขอจนด้วยกล่าวไม่สามารถจะตอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออาตมาสำหรับท่านอื่นท่านอาจจะมีความฉลาดมากกว่านี้อาตมาก็ขอยอมรับท่านเป็นอนั้นว่าเมื่อพอท่านตั้งสติได้ท่านก็กล่าวขบทพัญญาว่าพระราชาได้พระเดชทานตัวตัวเราให้แกมานบผู้ชนะชัก ผู้ชนะศึกในการพนันเราจะมีโอกาสอยู่ในบ้านนี้เพียงสามวันเท่านั้นท่านจะรู้หรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าปุณณะกยักษ์เนี่ยแกมีความเข้าใจผิดจากนั้นก็จะต้องไปกับท่านมานพพ่อไม่อาจจะทราบได้ว่าเขาจะพาพ่อไปไหนและจะทำอะไรบ้าง พ่ออยายะสั่งสอนข้อวัดปฏิบัติบาปการไว้แม้น่าชื่นใจในเรื่องนี้นะเพื่อเจนได้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันพวกเจ้าให้มีความปลอดภัยเมื่อพระราชาต้องการกัญญาณมิตรฟังให้ดีนะก็คงจะตรัสถามพวกเจ้าว่ามีความรู้เกี่ยวกับธรรมะเก่าๆอะไรบ้าง นี่ในฐานะที่เป็นลูกบัณฑิตลูกที่กคนที่มีความสามารถนะเมื่อพ่อทำอะไรก็ควรจะศึกษาตามนั้นเพื่อไว้เพื่อใครเขาถามรืยไม่ใช่นั้นก็เพื่อแกตัวเองจะได้บบพิสปิบัติให้เกิดประโยชน์บิดาของเจ้าได้เคยสั่งสอนอะไรไว้เมื่อพูดเจ้ากราบทูลที่พ่อสอนไว้ แล้วก็ถ้าหาพระองค์พอพระทัยจะตัดว่าพวกเจ้าจงมานั่งบนอาสนะเสมอกับเรานี่เถอดเจ้าจะต้องจำไว้ว่าขึ้นชีวราชัตกูล น, นั้นจะมีผู้ใดตีเสมอมิได้เป็นอันขาดเจ้าจะต้องกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าตัดอย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าหากว่าข้าพระองค์จะทำดังนั้น ก็จะหาชอบด้วยประเพณีใหม่ด้วยธรรมดาสุนักจิ้นจอกจะไปนั่งอาสนะเส ม, มอกับราชศีเป็นการไม่สมควรแล้วก็จะพายกันนั่งอยู่ในที่เฝ้าตามสมควรกับฐานะของตนของตนมาท่านสอนดีนะว่าเป็นเด็กยาตีเส ม, มอผู้ใหญ่ เราเป็นคนมีฐานะเช่นใดจงทรงตนในฐานะเช่นนั้น <c oughs> ถ้าอย่างนั้นก็แหมเอางี้ก็แล้วกันคำสอนของท่านดีขออ่านขอว่ากับตามท่านต่อไปเป็นว่าเมื่อท่านธุระบัณฑิตได้กล่าวเตือนชนิดแล้วจึงได้บรรยายราชวัร ราชาวสัดีราชาวันดี ร, รมคือได้บรรณาเอางี้ดีกว่าเมื่อท่านพิโธรวันดิกล่าวเตือนช น, นีแล้ว <c oughs> บาลีท่านฟั ง, ฟ, งฟังบาลีนะมันตีทรรมความตีความหมายให้ท่านฟังไม่เข้าใจจะขอพูดเป็นภาษาไท ย, ไทย ว่าเมื่อท่านมีธุระบรัณฑิตกล่าวเตือนชนีแล้วจิงได้บรรยายธรรมของข้าราชการต <c oughs> ป็นกล่าวว่าข้าราชการที่ประจำพระราชสำนักเมื่อพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ทรงทราบความสามารถอันนี้จะค่อยๆพูดไปหุด ช, ช้า ก็ยังไม่พระราชทานยศถาบรรดาศักดิ์อยเองเป็นธรรมดาอันนี้ต้องจำเขาต้องดูความสามารถก่อ น, นและข้าราชการยังกล้าจนเกินพอดีแน่เป็นข้าราชการอย่ากล้าจนเกินพอดีนะเมื่อกี้พลาดไปว่าเป็นข้าราชการอย่ากล้าจนเกินพอดี ก็แล้วก็จงอย่าขลาดจนเสียราชการอันนี้หวังว่าบรรดา ญ, ญาโยมพระทบริษัทเข้าใจและคนที่เพิ่งเป็นข้าราชการก็คิดว่าโคงฉลาดแต่ก็ไม่แน่นักนะไม่แน่นักเพราะว่าถ้าคนมีความประมาด ก, ก็ไม่แน่นักว่าจะฉลาดพอสมควรแก่ฐานนะของตนอื <c oughs> เป็นนั้นว่าอย่าประมาทในราชกิจ แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม ต, นนต้องระมัดระ ว, วังไว้เสมอต้องถือว่าเป็นเรื่องสําคัญทุกเรื่องเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบคุณสมบัติว่าเป็นคนมีศีลมีความประพฤติดีมีปัญญารอบรู้และก็มีความบริสุทธิ์ในใจจริงแล้วย่อมทรงวางพระราชชนไทยไม่รังเกียจ ว่าของท่านต่อไปก็ไม่ยากและก็จงปฏิบัติราชกิจโดยเที่ยงธรรมไม่มีความนำเอียงไม่ปฏิบัติเสมออ่าขอทปฏิบัติให้เสมอต้นเสมอปลายหลุดจตราชูที่เที่ยงตรงเะนั้นแม้ท่านสอนเพราะนะ <c oughs> แล้วก็จงศึกษาให้ฉหลาดรอบรู้ในราชกิจที่ทรงรับใช้ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนต้องปฏิบัติให้สําเร็จตามพระราชประสงค์โดยรวดเร็วนะโดยรวดเร็วก็เรียบร้อยนะนี่หมายความทางานเร็วด้วยและก็เรียบร้อยด้วยและทํางานทุกอย่างตามภารนาที จะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตามกลางคืนทำได้ไม่ต้องมีโอเวอร์ไทก็ได้เพราะว่าการทาทาไร่ไถานาของเรากลางคืนเราทำได้เราเที่ยวกลางคืนเราเที่ยวได้เราไปสนุกกลางคืนไปยุ่งไปยากก็ทาได้เพราะรายการสั่งบอกต้องมีโอเวอร์ไทม้าแย่นะ เปน็นอนว่าทางที่เขาปูลาดไว้เพื่อเสด็จพระราช ด, ดำเนินแม้จะทรงในุญาตให้เดินก็ไม่ควรจะเดินบนนั้นเครื่องอุปโภคบริโภคอันใดที่เป็นของพระเจ้าอยู่หัวอย่าพึงใช้ให้ทัดเทียมกับพระองค์เป็นอันขาดเพราะว่าจะทรงพิโรธผู้กระทำสิ่งที่เสมอกับพระองค์เนี่ยนะเข้ามา ในวิการหนึ่งต้องเดินข้างหลังพระองค์และปฏิบัติตากว่าพระองค์ให้ปฏิบัติตำกว่าการจะทำ ร, รายวิทีเสมอเป็นนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลาและทุกประการเสื้ออาภรณ์เครื่องประดับรูปไล่ไม่ควรใช้สอยทัดเทียมกับพระองค์นี่ต้องคิดนะ <c oughs> ต้องคิดนะที่ใ อ, อันจะพูดไปเลยมันลำบากต่อไปแต่ลอดจึงกระทั่งกับปฏิกิยาการจะพูดจาก็ต้องทำให้ต่างออกไปอย่าให้เหมือนกับพระองค์ท่านจริงจะพ้นราคีไม่มีโทษไม่อันนี้ไม่ขอย้อนนะเพราะว่พาพูดช้าๆอยู่แล้วนะ <c oughs> ถ้าชอบใจก็หาเทสไปฟังกนเลยกัน แล้วต่อไปนะถ้าว่าต่อไปเวลาที่เสด็จเล่นอยู่กับหมหะมัดมีพระสนมกำ น, นันเฝ้าแหนอยู่ด้วยอย่าสแสดงอาการทอดสนิทกับสนมกำนันนั้นสำคัญมากสำคัญมากอย่าอย่าชูอย่าให้ฟุ้งซ่านคนลองกายวาจาให้เสียจริยาของข้าวเฝ้า ต้องสำรวมอินทรีย์มีอธิยาสยสุจริตต่อพระองค์แม้นนที่รับก็อย่าได้จินจาปราศัยเล่นหัวกับพระสนมจะเป็นทางให้เกิดการแวงสงสัยอันไม่บังควรเกิดขึ้นได้โอ้โห <c oughs> นี่ท่านละเอียดจริงๆนะบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท <c oughs> ความจริงน่าจะลอกเก็บไว้ไปจําบ้านนะและต่อไปท่านกล่าวสอนต่อไปว่าอย่าลอบเอาพระราชทรัพย์อย่าเพาื่อขังหลวงจะเป็นการเสียสัก จ, จะตัดประโยชน์แล้วก็มีโทษมหาหันคือมหันก็โทษมากอย่าเดง่า ก, การหลับการ น, นอนอันเป็นลักษณะของคนเกจคร้านไม่สมควรใน ก, ก, การงาน ที่จะพึงมอบหมายให้แล้วก็ย่าดื่มสุราจนเมาไมายจนทำให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีของพูดดีเ อ, อ้น่าจำนะอย่าฆ่ามราคีคือฆ่าสัตว์ที่โปรดปราณให้เป็นที่ขุนเคืองพระราชหฤทยัยเพราะว่าเป็นการผืนพระราชอำนาจขาดความเคารพพระแท่นที่ประทับ ทั้งในรถทั้งในเรืออย่าท้านงตนว่าเป็นคนโปรดแล้วก็ขึ้นไปร่วมจะต้องมีไว้พริบในองคจอุปถาคอุปถาคแปลงการปฏิบัติยาเฝ้าให้ไกลนักหรืออย่าให้ไกลนักควรเฝ้าแต่พอทอดพันเนธเห็นานัด แล้วก็พอได้ยินพระราชดำรัสที่ตรัสใช้ื อ, อย่านั่งให้คิดเกินไปอย่าอยู่ให้ไกลเกินไปนะอ๋อดีจริงๆท่านสอนต่อไปว่าจงอย่าฉล่าใจว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นเพื่อนของเรานีอย่าระวังระวังนะเพราะว่าพระราชาพโรธไว้หมายความพระราชาในโกรธไว้เหมือนกับ ในตายกระทบผงให้กระตายเรากระทบผงแป๊บนึงกระพ ร, ะบระิบทันทีพระราชาอาจจะโกรธไว้ก็ได้มันมีโทษของจริงถ้าไม่ประโยชน์มากท่านสอนต่อไปว่าจงยาถีตัวว่าเป็นนักปราชราชบัณฑิตที่ทรงโปรดกล่าววาจาจงจับหยาบคายในขณะที่ประทับต่อหน้าต่อหน้าราชสมาคม ให้เป็นการท่านลงอดดีจะมีภยัยนี่ไหมนะว่าเด็กจงอย่าสอนผู้ใหญ่จึงเกินไปก่อนจะสอนดูตัวซะก่อนว่าทีนี้ถูกไหมน่าจะถูกแล้วว่าไปอีกท่านว่ายัางไงแม้จะได้รับอนิญาตพิเศษให้เข้านอกออกใดในได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาอะไรก็ตาม ก็อย่าวางใจในพระราชฐานเพราะว่ากรณีที่ไม่บังควรจะต้องได้รับพระราชานุญาตเสียก่อนนะในกรณีที่ไม่บังควรจะต้องได้รับอนุญาตจากพระราชเสียก่อนเพราะว่าพระราชาเป็นประดุเป็นประดุจเหนึ่งว่าไฟอย่าได้ประมาทต้องมีสติจำลองตนให้เป็นคนรอบคอบเมื่อทรง พระราชทานยกย่องพระราชโอรสหรือพระราชวงศ์ก็ไม่ควรโวนที่จะเพชรทูลคุณหรือโทษจะนิ่งควรจะนิ่งอยู่ก่อนหมายความว่าท่านจะสมโปรดปรานยกย่องใครเราตามคนนั้นจะดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็ไม่ควรค้านถ้าดีก็จะเพิ่งยกมองดูเหตุมองดูผลเส ก, ก่อน ว่าสิ่งที่ตนจะพูดนะ่มันจะควรหรือไม่ควรแม่น่ารักจริงๆท่านพูดสวยท่านพูดเพราะน่าศึกษาเอาฟังกันต่อไปเมื่อจะทรงพระเยทานปูนบำเหน็จรังวัลความดีเนะี่ยความดีความชอบในทาริกานคนใดก็ไม่ควรจะทูลขัดตัดลาบของบุคคลผูนะ้นั้นเห็นไหมไม่ทั้งนี้ไม่ว่าใครทั้งหมด ถ้าเขาจะรับบําเหน็จกบางวันก็ปล่อยเขามันเป็นเรื่องความดีที่เขาจะพึงได้บางทีเขาจะดีเพื่อการประจบสอพลอก่อชังมันเป็นเวลาที่เขาจะได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพื่อให้เป็นคนมีจิตอ่อนโยนโอนไปตามในกรณีที่สมควรดุดแย่ขันจัตโนที่น้อมก็้าหากันหรือว่าก่อภัยโอนไปตามลม อย่าทูลทัดทานให้เสียราชการงานเมืองแมน่น่ารักจริงๆนะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทอาตมาดูวาทะของท่านแล้วไม่ชื่นใจเป็นนั้นว่าวาทะอย่างนี้ความรู้อย่างนี้อาตมาไม่มียังได้ต้องย้อนไปย้อนมาหวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาญาติยาโยมพุทธบริษัท เป็นนั้นว่าเวลานี้ธรรมายกญาติโยมพุทธบริษัทกําลังศึกษาร่วมกันคือเป็นนักเรียนอุอาุปันโดยกันสําหรับวันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านพูดไปพูดมาดูเวลาก็หมดเสียแล้วนี่ญาติโยมฉะนั้นก็ต้องขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนผ ล, ล, ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาส น, นิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี